เราตอนทําบุญนี่ทําติดติดดับดับเหมือนกันเอาทำเป็นนะเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างอะอย่างเงี้ยนะทำกุศลไปโกรธไปอย่างเงี้ยนะบุญก็ติดติดดั บ, นะ ด, บ ด, ด, ดับทำบุญไปโลภไปอย่างเงี้ยบุญก็ติด ต, ติดดับดับเหมือนกันเวลาเหตุมันให้ผลก็ฟังฟังเลิกๆเลิกเฟังฟัง อ, อ, อ, อ, อ, อย่างเงี้ยนะตัวอีกครั้งนึงนะว่าปัญญาที่เรียกว่าปัญญากถาก็คือมาสนทนาเรื่องสุตมยะปัญญา จินตามมยปัญญาและภาวนามยาปัญญาโทษของการไม่มีปัญญาคืออะไรถ้าปัญญาไม่มีนะปัญญาไม่มีก็ไม่รู้กรรมไม่รู้ผลของกรรมไม่รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรเจริญแล้วให้ผลเป็นความสุขอะไรเจริญแล้วให้ผลเป็นความทุกข์อะไรเป็นทางนรกอะไรเป็นทางเปรตอสุรกายเดรัจฉานอะไรเป็นทางให้มาเกิดเป็นมนุษย์ อะไรเป็นทางแห่งสุคติโลกสวรรค์อะไรเป็นทางแห่งพรมโลกและอะไรเป็นทางแห่งพระนิพพานถ้าไม่มีปัญญาจะแยกออกไหมก็แยกออกไม่ได้เะนั้นปัญญาท่านบอกว่าปัญญาอาโลโกปัญญาเหมือนแสงสว่างถ้ายามกลางวันอาทิตย์ส่องสว่างยามใดให้ระลึกถึงว่าปัญญานี้ประดุดแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์เป็นต้นเพราะว่าแสงสว่างนี่สามารถสาดส่องให้มองเห็นใช่ไหม บุคคลผู้เห็นรูปทั้งหลายถ้าขาดแสงสว่างจากเห็นรูปทั้งหลายไหมผู้ที่ไม่มีปัญญาก็เหมือนกันจะไม่รู้ดีรู้ชั่วรู้อะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมอะไรควรเจริญอะไรควรละอะไรควรทำให้แจ้งอะไรควรกำหนดรู้เป็นต้นแยกไม่ออกแม้แต่อย่างเดียวนั้นปัญญานั้นจึงสำคัญมากปัจจัยที่จะทำให้เกิดปัญญาก็คือการฟังกลับ โยนิโสมนสัสการมันฟังจนเพียงพอแล้วโยนิโสมนัิการนั่นคือปัจจัยแห่งปัญญามันปัญญานี้จะเกิดได้เพราะอาศัยการฟังคนมีปัญญากับไม่มีปัญญานี่ต่างกันไหมเราจะต้องเห็นโทษของผู้ที่ขาดปัญญาแล้วก็เห็นคุณของผู้ที่สมบูรณ์ด้วยปัญญาเพราะผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะจะรักษาตนให้พ้นจากภายัยขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้อื่นพ้นภัยด้วยผู้มีปัญญาทั้งหลาย กับผู้ไม่มีปัญญาถ้าเป็นหัวหน้าอะไรจะเกิดขึ้นต่างกันไหมในหมู่ชนทั้งหลายก็เหมือนกับโคโคนี่ถ้าหัวหน้าฝูงเดินคดหัวหน้าฝูงโคเนี่ยนะไปโควัว ง, งานโคงานโคนมโคแม่ลูกอ่อนโคเล็กโคน้อยก็จะเดินไปคดหรือแม้กระทั่งโคจากฝูงที่ไม่ฉลาดพาไปลงในวังน้ําวนโคเล็กโคน้อยก็ตายหมดฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันคนที่เป็นหัวหน้าถ้าเป็นผู้ที่ขาดปัญญาก็พาบริวารไปตายหมดแต่ถ้าผู้ที่มีปัญญาก็พาไปถึงความสวัสดีทั้งหมดในอปันากะชาดกเนีกล่าวถึงว่าสมัยที่พระเทวทัตในอดีตชาติเป็นพ่อค้าพ่อค้ากองเกวียนพาบริวารไปตายห้าพระโพ ธ, ธิสัตว์ที่เป็นพ่อค้าเหมือนกันพาบริวารห้าร้ไปประสบความร่ํารวยกันกลับมาหมดเลย ผู้มีปัญญากับไม่มีปัญญานั้นต่างกันมากคนพาลทั้งหลายผู้สามปัญญาถ้าได้เป็นหัวหน้าคนเมื่อใดก็เป็นไปเพื่อความพินาศของหมูสัตว์ผู้มีปัญญาทั้งหลายก็เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์เพราะฉะนั้นเราจะต้องเห็นโทษของความไม่มีปัญญาจริงๆแต่ทีนี้ปัญญาจะเกิดได้ปัจจัยมีสองอย่างนะคือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกคือการฟังการอ่านการฟัง ให้ข้อมูลเพียงพอปัจจัยภายในก็คือการโยนิโสมนัสิการก็เอาสิ่งที่ฟังแล้วมาใคร่ครวนโยนิโสมนัสิการก็คือจินตามยะปัญญานั่นแหละเอามาใคร่ครวนมาละลึกให้เป็นไปกับพระธรรมให้มากและที่สําคัญปัญญาที่เกิดจากการฟังการโยนิโสมนัสิการที่ดีและเพียงพอทําให้เจริญวิสุทธิที่กล่าวไปแล้วนะทิฏวิสุทธิกังขา ว, วิตรณวิสุทธิ มคามคาย า, านทัศนวิสุทธิปฏิปทาย า, านทัศนวิสุทธิตลอดจนถึงญาณทัศนวิสุทธิคืออริยมรรคทั้งหลายปัญญานี้เป็นเหมือนกับแสงสว่างปัญญาอาโลโกปัญญาโอภาโซผู้ที่พ้นจากความทุกข์ได้ก็เพราะปัญญาละกิเลสได้ก็เพราะปัญญาปัญญานี่แหละเป็นตัวที่ทํากิจกําหนดรู้ละเจริญทําให้แจ้งพระนิพพาน ส่วนวิมุติคืออะไรบอกว่าอริยผลทั้งหลายชื่อว่าวิมุติและนิพานนิพานก็ชื่อว่าวิมุตสนทนาเรื่องโสดาปฏิพนการฟังสกะทาคามีผลการฟังเรื่องอนาคามีผลและอรหัตผลหรือพระนิพานที่เป็นอา ร, รัมมณปัจจัยแห่งมัชผลเหล่านั้นการฟังกเรียกว่าคถาวัตถุการพูดเรื่องที่ควรพูดคาถาวัตถุเกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญามัชผล อันนี้ก็ชื่อว่าเป็นศีละกกถาสมาธิกถาปัญญากถาและวิมุตติกะถาส่วนการฟังปัจเจกขณะยานการฟังปัจเจกขณะยานนั่นแหละเรียกว่าวิมุตติญานนณทัศนกถาก็คือปัจเจกขณะยาน19คือปัจเจกขณะยาน19นี้ของพระโสดาบันหพระสกะทาคามีอีกหพระอนาคามีหและพระอรหันต์สประการ พระโสดาบันนั้นพิจารณามักพิจารณาผลพิจารณานิพพานพิจารณากิเลส ท, ที่ละแล้วแ ล, และกิเลส ท, ที่เหลือพระสกท า, าคามีพระนาคามีก็เหมือนกันส่วนพระอรหันต์ก็ไม่มีการพิจารณากิเลส ท, ที่เหลืออันนั้นเรียกว่าปัจเจเวคขณะยานการที่เอาโทษของการไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีวิมุตติไม่มีวิมุตติญาณทัศนมาสนทนากันหรือมากล่าวมาแสดงหรือมาฟัง ฟังถึงอนิสอ ง, งอง์การมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกระถาวถัตถุในหน้า406ย่อหน้ากล่าวว่าเพราะพระบาลีว่าภิกษุเป็นผู้มักน้อยด้วยตนเองกระทำกระถาว่าด้วยความเป็นผู้มักน้อยแก่ผู้อื่นตัวเองก็มักน้อยด้วยแนะนำผู้อื่นให้มักน้อยตัวเองเป็นผู้สันโดษในปัจจัยสี่ก็แนะนาให้ผู้อื่นสันโดษใน ปัดใจซีตัวเองเป็นผู้วิเวกก็ชักชวนให้ผู้อื่นวิเวกตัวเองไม่คลุกคลีก็ชักชวนให้ผู้อื่นไม่คลุกคลีตัวเองเป็นผู้ปรารบความเพียรก็ชักชวนให้ผู้อื่นปรารบความเพียรตัวเองเป็นผู้มีศีลก็ชักชวนให้ผู้อื่นมีศีลตัวเองเป็นผู้มีสมาธิก็ชักชวนให้ผู้อื่นมีสมาธิตัวเองมีปัญญาก็ชักชวนให้ผู้อื่นมีปัญญาตัวเองมีวิมุตติบรรลุก็ชวนให้ผู้อื่นได้ บรรลุตัวเองมีวิมุตติยามทัศนะคือปัจเจกขณะยานก็ชักชวนให้ผู้อื่นมีปัจเจกขณะยานทาพูดที่ผู้ลักษณะนี้เรียกว่ากถาวถัตถุในที่นี้พึงทราบว่ากถาว่าด้วยความมักน้อยเป็นต้นจริงอยู่กระถาของผู้กระทํานั่นแหละย่อมทําประโยชน์ตามที่ประสงค์ให้สําเร็จโดยพิเศษดังที่พระองค์ตรัสว่าเมขิยะนี้เป็นความหวังของพิสูจน์ผู้เป็นกาลยานามิตรเป็นการได้โดยไม่ยากหมายถึงว่า คนที่มีกาลยานามิตรจะฟังคาถาวัตถุศิลเนี่ยหาฟังยากไหมฟังเรื่องมากน้อยสันโดษเนี่ยถ้ามีกาลยานามิตรนี่ก็ไม่ยากเพราะกาลยานามิตรจะเป็นผู้ชี้แนะเพราะคนที่เป็นกาลยานามิตรจริงๆนั้นเขาจะพูดแต่คาถาวัตถุเท่านั้นสิ่งอื่นที่นอกจากคกาถาวัตถุเขาจะไม่กลา่าวมหาสุญญาตาสูตรพระองค์ตรัสว่าเธออย่าติดตามเราเพื่อฟังพระไตรปิฎกอย่าติดตามเพื่อฟังวันนี้สุ ต, ตะคยะวยากรนะ แต่ให้ติดตามฟังเป็นกถาวัตถุเพราะการฟังธรรมนั้นการฟังเพื่อการปฏิบัตินี่ต้องฟังให้เป็นกถาวัตถุฟังให้เห็นว่านี้เป็นความมักน้อยนี่เป็นความสันโดษนี่เป็นความวิเวกนี้เป็นการไม่คลุกคลีนี้เป็นการปรารบความเพียรนี้เป็นการฟังเรื่องศีลนี้ฟังเรื่องสมาธินี้เป็นการฟังเรื่องปัญญานี้วิมุตติวิมุตติยานตทัศนะต้องฟังแล้วจำแนกให้ออกแบบนี้ให้ได้ถ้าจำแนกออกอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าเป็นการ ฟังธรรมเพื่อพาเวตประธรรมเป็นการฟังเพื่อการเจริญไม่ได้ฟังเพื่อจําอวดเป็นต้นเนี่ยนะท่านจะต้องแยกให้ออกว่าฟังทําไมการฟังที่มีผลมากมีอนิสงฆ์มากในอัธสาลีนีกล่าวถึงว่าการฟังที่มีผลมากมีอนิสงฆ์มากนั้นเป็นการฟังไม่ใช่ฟังเพื่อบางคนนี่ฟังเพื่ออวดใช่ไหมว่าเป็นนักฟังเป็นนักศึกษาเป็นต้นเนี่ยนะกลุ่มนี้ฟังจําอวดกล่าวธรรมก็ลักษณะเดียวกันท่าน เป็นการฟังเพื่อให้กุศลจิตเกิดฟังให้เป็นไปกับกุศลฟังเพื่อปรับปรุงแต่งจิตเพื่อจะได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังสิ่งที่เคยฟังแล้วก็จะได้แจ่มแจ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปกำจัดความสงสัยออกไปได้เป็นการฟังเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงตามอัตธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงการฟังแบบนั้นเป็นการฟังกถาวัตถุเป็นการฟังเพื่อความเจริญเพราะพระองค์ตรัสว่าฟังด้วยดีย่อมทำให้เกิดปัญญา สุ ต, ตมยปัญญาเป็นอุปนิสัยปัจจัยที่สําคัญแห่งจินตามยะปัญญาตลอดจนถึงภาวนามยะปัญญาสามารถตรัสรู้ทำสามารถทำที่สุดแห่งทุกได้ในหน้า407บอกว่าบทว่านิกามลาภีแปลว่าเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาคือได้ตามความชอบใจได้แก่ดได้ตามสะดวกเพื่อจะฟังและวิจารณ์กระถาเหล่านี้ตลอดเวลา ใครที่มีคาถาวัตถุสิบเหล่านี้หรือได้กาลยานามิตรที่คู่ควรแก่การสนทนากถาวัตถุนี้ได้ทุกเวลานี้ก็ชื่อว่าไม่นานเท่าไหร่บรรลุแน่ถ้าทําได้ตามนั้นจริงนะบรรลุแน่นอนได้โดยไม่ยากได้โดยภัยบูรในคาถาวัตถุสิบเนี่ยพูดเองก็ได้ฟังก็เป็นตัวเองก็เป็นพูดคาถาวัตถุสิบก็ได้แล้วชอบที่จะฟังคถาวัตถุสิบสมัยพุทธกาลนี่มีพระเทระรูปหนึ่งเป็นเอตทคฆะด้านนี้เลย ชื่อว่าพระปุณณมันตานีบุตรพระปุณณมันตานีบทเนี่ยเป็นเอตทัคคะในการกล่าวกถาวัตถุสิทธิ์เพราะตัวเองเป็นผู้มักน้อยแล้วก็สรรเสริญในเรื่องของความมักน้อยเป็นต้นเนี่ย mm hmm. นะเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ผู้แสดงธรรมเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ผู้แสดงธรรมไม่ใช่แสดงเพื่อผู้ที่พูดธรรมะที่ถูกต้องเนี่ยไม่ได้พูดเพื่อจะโชว่วาชั้นรู้อะไรถามว่าถ้าพูดเพื่อให้คนอื่นเขารู้ว่าชั้นรู้อะไรแล้วคนอื่นเขาได้อะไร นอกจากโมไปวันๆหนึ่งการพูดที่เป็นคถาวัตถุสิบก็คือพูดเพื่อตัวเองก็ได้มักน้อยคนอื่นก็มักน้อยเป็นต้นพูดเพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายพระองค์ตรัสว่าการกล่าวธทรรมการฟังธ ร, รมที่ดีหมายคำว่าผูพ้พูดเองก็ได้ความรู้ในอัดความรู้ในธรรมผู้ฟังก็ได้ความรู้ในอัดความรู้ในธรรมแลก็มีปีติในกุศลธรรมเป็นต้นเดี๋ยวจะกล่าวสูตรข้างหน้าต่อไปจะมีว่า ฟังธรรมจบนั้นอั น, นิี้สองข้องการฟังธรรมคือการเห็นแจ้งสมาทานอาจฐาน ร, ร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาที่จะกล่าวต่อไปอีกครั้งหนึ่งสรุปธรรมะที่เป็นเครื่องบ่มวิมุติมีอยู่5ประการที่ทําเจโตวิมุตที่ยังไม่แก่กล้าให้แก่กล้า5้าอย่างมีอะไรบ้างหนึ่งมีกัลยาณมิตรสองมีศีล 3. ได้กระถาวัตถุสิบโดยไม่ยากไม่ลําบากข้อ4เลยนะ เป็นผู้มีปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลเพื่อเจริญกุศลเพื่อความงอกงามไพบู์แห่งกุศลเพราะฉะนั้นบทว่าอารัฐาวิริโยได้แก่ประคองความเพียรอกุศลานางธรรมมานางปหานายะได้แก่เพื่อละบาปประธรรมละบาปะนะบาปที่เป็นอกุศลเนี่ยเพราะอะไรอกุศลนี่เกิดจากอะไรเพราะเกิดจากความเป็นผู้ไม่ฉลาดอากุศลนี่เกิดจากความโง่แท้เลยนะ เพราะโง่แท้ๆเลยจึงโกรธใช่ไหมเพราะโง่นั่นแหละจึงโลภเพราะโง่นั่นแหละจึงลุ่มหลงอ่ะนะไอ้หลงนี่มันก็ตรงๆ ต, ต, ตัวกับความโง่อยู่แล้วท่นเพียรเพื่อกําจัดสิ่งที่เกิดจากความชั่วร้ายเหล่านี้เพียรเพื่อกําจัดบาปอากุศลธรรมเหล่านี้ต่อไปก็เพื่อเจริญกุศลธรรมใช่ไหมกุศลานังธรรมานังได้แก่เพื่อเจริญให้กุศลกุศล ร, ระดับไหนมักผลวิปัสนา กุศลที่สัมปยุตด้วยมรรคผลวิปสัสนาก็คือเป็นการเพียรเพื่อให้อาวิปสัสนาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นวิปสัสนาที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นอุปนิสัยแก่อริยมรรคผลชื่อว่ากุศลเพราะอะไรเพราะตัดบาปประธรรมอันบัณฑิตเกลียดเสียได้ชื่อว่ากุศลเพราะกําจัดอกุศลชื่อว่ากุศลเพราะไม่มีโทษบางแห่งก็บอกว่ากุศลเพราะให้ผลเป็นความสุขต่อไป การปรารบความเพียรเพื่อให้ถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมเนี่ยในสันดานของตนก็คือเกิดในใจของตัวเองบางค น, เ น, นเน้นให้คนอื่นเจริญกุศลใช่หัหยทำอย่างไรให้คนอื่นจะเจริญกุศลโดยที่ตัวเองขอเกลือกกลั่วไปกับอ่กุศลขอให้แต่คนอื่นดีเราไม่ดีก็ไม่เป็นไรย่างไงหรือเปล่ามีเยอะนะฉันไม่ดีก็ช่างมันเถอะขอให้คนอื่นได้ดีก็พอและจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบ บทว่าถามาวาได้แก่ผู้ประกอบด้วยกำลังความเพียรกล่าวคือความอุตสาหะอุตสาหะในการกำจัดบาปและเจริญบุญทา l ห r ปร p r a ได้แก่มีความบากบัน่นคือมีความเพียรไม่ย่อหย่อนอันนก้ิตะทุโรไม่ทอดทิ้งธุระคือมีความเพียรไม่ท้อถอยทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะตรัสรู้ด้วยเรี่ยวแรงของบุุษด้วยความบากบัน่นของบุุษด้วยความเพียรที่มั่นคง ส่วนหัวข้อต่อไปที่เป็นธรรมเครื่องบ่มวิมุติคือมีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชั้แรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบคําว่าปัญญาวาแปลว่ามีปัญญาผู้มีปัญญาด้วยปัญญาอันสัมปยุต ด, ด้วยวิปัสนาอุททยะทะคา ม, มินิยาได้แก่แทงตลอดถึงความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งเบญจขันตอุทยะแปลว่า อุทยาอุทยัทยอธิษฐอุทยัยแปลว่าอะไรที่เกิดขึ้นอุทยากับอัดถังคมะนะตัว น, น, นี้อัดถังคมะคำนิยะเนี่ยนะอันนั้นหมายถึงความเสื่อมหรือความดับขันห้าเกิดโดยอาการเท่าไร่สิห้าขันห้าดับโดยอาการยีห้ารูปประขันเกิดโดยอาการหรูปประขันเสื่อมโดยอาการหมีปัญญาหรือความเกิดและความดับแห่งรูปประขันเป็นต้นเนี่ยนะ ตาจะเกิดเกิดโดยอาการเท่าไหร่จักขู่จะเกิดเกิดโดยอาการหดับโดยอาการหตาเกิดเพราะวิชาเกิดตาจึงเกิดเพราะกรรมเกิดตาจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดตาจึงเกิดเพราะอาหารเกิดตาจึงเกิดและนิพพัติลักษณะของตาตาจะดับก็ดับโดยอาการ5ถ้าวิชาดับตาก็ดับถ้าตัณหาดับตาก็ดับถ้ากรรมดับตาก็ดับถ้าอาหารดับตาก็ดับและวิปริณามลักษณะของตา หูจมูกลิ้นกายใจก็ในยะเดียวกันนั่นนะก็เป็นผู้ที่มีปัญญารู้ความเกิดแห่งวัฏฏะความดับแห่งวัตะว่าวัฏะเกิดโดยประการใดและดับโดยประการใดอริยยะก็คือข่มกิเลสห่างไกลคือการข่มกิเลสให้กิเลสอยู่ในที่ไกลหมายคือว่าทําให้ปราศจากโทษบทว่านิเพธิกายะแปลว่าเป็นส่วนแห่งการตรัสรู้ ปัญญาที่รู้ความเกิดความดับที่เป็นอริยะเหล่านี้นี่นะเป็นส่วนแห่งการตรัสรู้เป็นอุปนิสัยให้เกิดการบรรลุบทว่าสัมมาทุกขคยะคา ม, มินิยาบรรลุโดยชอบคือโดยเหตุโดยในยะซึ่งอริยมรรคอันนามได้ว่าทุกขคยะเพราะทำวัตทุกขให้สิ้นไปอริยมรรคเนี่ยเป็นตัวที่กําจัดวัตทุกขจริงๆ เป็นตัวที่ดับทุกขเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความกําจัดทุกขะนั้นอริยมรรคนั้นเป็นสิ่งที่ควรเจริญจริงๆเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่บรรลุอริยมรรคหรือปฏิบัติจนอริยมรรคเจริญพอกพูนเต็มที่ก็ทําที่สุดแห่งทุกได้ก็ธรรมะ5ประการเหล่านี้5ประการในอะไรในธรรมะที่เป็นเครื่องบ่มเจโตวิมุตติเนี่ยนะหประการก็คือทวนอีกครั้งหนึ่งกัลยาณมิตร2มีศีลส ได้คถาวัตถุสมีความเพียร5มีปัญญาข้อศีลวิริยะและปัญญาเนี่ยเป็นองค์ภายในอันนี้ของตัวเองจริงๆนะคนอื่นทำแทนได้ไหมไม่ได้ทัานศีนต้องมีด้วยตัวเองความเพียรก็ต้องมีด้วยตัวเองปัญญาก็ต้องได้ด้วยตัวเองเรียกว่าองค์ภายในส่วนองค์สองนอกนี้คือมีกาลยานามิตรและฟังคถาวัตถุสินี้เป็นองค์ภายนอกสาหรับพโยพีย เันกาลยานามิตรก็ต้องคบคนดีใช่ไหมแล้วก็ได้ฟังคถาวัตถุสิบถึงอย่างนั้นพระโยคีก็ยังปรารถนาทำรรสี่ประการนอกนี้คือศีลวิริยะปัญญาคถาวัตถุเนี่ยนะที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยกาลยานามิตรนะถ้าไม่มีกาลยานามิตรเราจะรักษาศีลได้ถูกต้องดีไหมนับว่ายากสมัยนี้ก็ต้องอาศัยพระไตรปิฎกเป็นต้นเนี่ยนะเป็นเครื่องช่วยก็ถือว่าพระไตรปิฎกเป็น กาลยานามิตรถ้ายัางศึกษาค้นคว้าในพระไตรปิฎกก็เชื่อเลยว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีเศนเพราะพระไตรปิฎกกล่าวถึงกระถาวถัตถุพระไตรปิฎกนี้เป็นคำพีที่แสดงกระถาวัตถุสิบไม่ใช่คำพีกระถาวัตถุนะกระถาวัตถุคือเรื่องที่ควรพูดเนี่ยในะเรื่องที่ควรพูดที่เป็นไปเพื่อเอกันตนิพิทายะหมายค่าว่ากระถาวัตถุนั้นจะเป็นไปเพื่อวิปัสนา เป็นไปเพื่ออริยมรรต์เป็นไปเพื่อพระนิพพานมันเป็นคำภีร์ที่แสดงเพื่อวิปัสสนามร์ผลนิพพานอยู่แล้วการอ่านพระไตรปิฎกก็ชื่อว่าเป็นการฟังกระถาวถัตถุเมื่อฟังเข้าใจดีแล้วเนี่ยถามว่าทำยังไงต่อไปก็ต้องมีความเพียรอย่างเช่นเพียรเพื่อให้กุศลสีนเนี่ยเกิดขึ้นเพียรเพื่อให้สมถะและวิปัสนาเนี่ยเกิดขึ้นอกุศลไม่ต้องไปเพียรมันหรอกเนาะมันเกิดอยู่แล้วเพียรให้กุศลเกิดมันก็ชื่อว่าเป็นการกําจัด อกุศสในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าปาติกังขังว่าหวังโดยส่วนเดียวอธิบายว่ามีภาวะแน่แท้ท่านอธิบายคํานี้ไว้ว่าในคําว่าศีลาวาภาวิสติที่แปลว่าถ้าได้กัลยาณมิตรหวังได้เลยว่าตัวเองจะต้องเป็นผู้มีสินถ้าได้กัลยาณมิตรต้องมีสินอันนี้เป็นเครื่องวัดนะเครื่องวัดว่าบางคนเขาบอกโอ้ยเจออาจารย์ดีเหลือเกินเขาพูดอย่างนั้นนะ เครื่องวัดวัดว่าเราได้เจออาจารย์ดีจริงหรือไม่ดูจากไหนศีลวาภวิสติตนเองจะต้องมีศีลอธิบายว่าข้อที่พิกษุผู้มีมิตรดีงามมีศีลคือสมบูรณ์ด้วยศีล น, นั้นพึงหวังได้ว่าเพราะพิสูจนนั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลคือเป็นผู้มีภาวะแน่นอนเพราะชักชวนเธอในข้อนั้นโดยแท้จริงทีเดียวถ้าเราได้กัลยาณมิตรที่แท้จริงเนี่ยกัลยาณมิตรต้องเป็นผู้มีศีล ขณะเดียวกันเราก็ต้องเป็นผู้มีศีลเพราะศีลเป็นเครื่องวัดว่าเราได้ครบกัลยาณมิตรจริงหรือเปล่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงศาสนาสมบัติทั้งสิน้นโดยความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรเป็นต้นศาสนาสมบัติเนี่ยนะก็คือสมบัติในศาสนานี้ทั้งหมดเลยคืออะไรก็คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานุทัศนะคุณธรรมคือศีลเป็นต้นเนี่ยอาศัยกัลยาณมิตร แต่พระเมขียะไม่เอื้อเฟื้อพระดํารัสของพระองค์ผู้เป็นกาลยานมิตรผู้สูงสุดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกแล้วเข้าไปยังไพรสนถึงอาการอันแปลกเช่นนี้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกอย่าเลยเมขียะจงรอภิกษุรูปอื่นมาก่อนไม่พระองค์ทํากิจเสร็จแล้วพระเจ้าค่ะแต่ข่าพระองค์ยังไม่ได้ทํากิจเลยก็เลยเนี่ยแหละดือพระพุทธเจ้าก็เลยไปให้อากุศลวิตตกเล่นงานเหมือนกับเพื่งตอมรังนั่นนะนี บัดนี้จึงประกาศภาวนานยะแก่เธอผู้เกิดความเอื้อเฟื้อในภัยสนคือก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้พกอาวุธไปใช่ไหมไม่ได้เอากรรมฐานไปตอนนี้ก็เลยบอกกรรมฐานให้แก่พระเมขิยะในหน้าส8 1้ปดสบอดข้อปพระองค์ตรัสว่าดูก่อนเมขิยะก็แลภิกษูนั้นตั้งอยู่ในธรรมะห้าประการนี้แล้วพึงเจริญธรรมะี่ประการให้ยิ่งขึ้นไป คือพึงเจริญอสุภะเพื่อละราคะพึงเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาทพึงเจริญอาณาปานสติเพื่อตัดอกุศลวิตกพึงเจริญอนิจจสัญญาเพื่อเพิกถอนอสุมิมานะดูก่อนเมข e ียะอนัตตสัญญาย่อมปรากฏแก่พิสุผู้ได้อนิจจสัญญาผู้ที่ได้อนัตตสัญญาย่อมบรรลุนิพพานอันเป็นที่เพิกถอนเสียได้ซึ่งอสุมิมานะในปัจจุบันเทียว อันนี้คือเป็นการเสนอแนะบอกกรรมฐานเป็นการสอนกรรมฐานให้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนกรรมฐานเดียวใช่ไหมเออเอาเนี้ยเรื่องนี้เรื่องเดียวพอแล้วไม่พงบอกว่ า, างไงถ้าราคะเกิดให้เจริญอสุภะถ้าโทสะเกิดเจริญเมตตาถ้าอากุศลวิตกเกิดเจริญอนานาปานาสติถ้ามานะเกิดก็อันนสัตสัญญารอให้มันเกิดก่อนค่อยเจริญใช่ไหมไม่ใช่ถ้ารอให้ราคะเกิดแล้วค่อยเจริญอสุภะนี่เสียหายมากใช่ไหม ถ้ารอให้โทสะก่อนค่อยเจริญเมตตาให้มันฟุ้งก่อนแล้วค่อยเจริญอนาปานสติสาธุขอให้เป็นจริงอย่างนั้นเถอเพราะปกติเนี่ยนะราคะเกิดแล้วค่อยคิดถึงอสุภัยอย่างนี้โกรธที่หนึงไอ้เมตตาอยู่ไหนเนี่ยต่อไปมันดูว่าอธิบายในหน้า409เมื่อกี้นะบทว่าเตนะได้แก่ผู้ประกอบด้วยคุณมีศีลเป็นต้นตามที่กล่าวแล้วโดยมีกลยาณมิตรเป็นที่อาศัย โดยเหตุนั้นจึงตรัสว่าตั้งอยู่ในธรรมะห้าประการเหล่านี้ธรรมะหประการสรุปก็คือหนึ่งมีกาลยาณมิตรสองเป็นผู้มีศีลสามได้ฟังคาถาวัตถุสีมีความเพียร5มีปัญญาเมื่อมีปัญญาทีนี้บทว่าอุตริงความว่าหากอันตรายราคะโทสะโมหะพวกนี้อกุศลทั้งหลายชื่อว่าอันตรายใช่ไหมอันตรายเพราะอะไรเพราะกําจัดสิ่งที่เป็นอันตรายก็คือนํามาเส่งความเสียหายนะ อันตรายมีราคาเป็นต้นเกิดขึ้นแก่ผู้ปรารบตรุณะวิปัสนาหมายคำว่ากําลังทำตีระนปริญญาพิจารณาความเกิดความดับเป็นต้นเนี่ยราคาเกิดแทรกขึ้นเพื่อชำระอันตรายนั้นให้หมดจดเบื้องหน้าแต่นั้นพึงเจริญคือทำให้เกิดพ่อภูนธรรมะสี่ประการนั้นสี่ประการหนึ่งเจริญอสุภะเพื่อละราคาพ้นเจริญอสุภะก่อนนะ คือเจริญอสุภะกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตามสมควรในอสุภกรรมฐานโดยเอกเทศหนึ่งหมายคาอว่าสักอย่างหนึ่งก็ยังดีก็คือเจริญกายานุปัสสนานั่นเองเช่นอะไรบ้างพิจารณาธาตุสี่อาการสามสิบสองตาช้าเก้าเป็นตนน้นนะพวกนั้นเจริญให้มากเพื่อละราคะคือละกรรมราคะอันนี้อุปมาเหมือนอะไร บันฑดตเพิงประกาศเนื้อความนี้ด้วยอุปมาบุคคลผู้เกี่ยวข้าวสาลีจริงอยู่ชายคนหนึ่งถือเคียวเกี่ยวข้าวสาลีในนาข้าวสาลีก็เกี่ยวไปเรื่อยก็ข้าวสาลีปกติก็จะมีรั้วเนี่ยล้อมล้อมนาข้าวสาลีนะก็มีโคตัวหนึ่งแหกรั้วเข้าไปในนาเห็นโคกำลังจะกินรอให้โคมันกินก่อนหรือว่าจไงบอกเห็นแหกรั้วเข้ามาแล้วก็เอาละใช่ไหม ก็วางเคียวถือไม้ไล่โคให้ออกไปทางนั้นแหละแล้วก็ซ่อมรั้วให้เหมือนเดิมถือเคียวมาเกี่ยวข้าวต่อไปอธิบายว่าอุปมานะเพื่อให้รู้ว่าพระพุทธศาสนาเพิ่งเห็นเหมือนนาข้าวสาลีพระโยคาวจรเหมือนคนเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวเอากุโสธรรมในพระพุทธศาสนาใช่ไหมมรคปัญญาก็เหมือนเคียวมรรวิปัสสนาเหมือนเคียวเวลาทากรรมในวิปัสสนาก็เหมือนเกี่ยว อสุภะกรรมฐานเหมือนไม้สังวรก็เหมือนกับรั้วการที่ราคะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความประมาทโดยไม่พิจารณาทันทีทันใดเหมือนการที่โคทั้งหลายพังรั้วเข้าไปเวลาที่ข่มราคะด้วยอสุภะกรรมฐานแล้วเริ่มทาวิปัสสนาต่อไปอีกเพิ่งเห็นเหมือนกับคนเกี่ยวข้าววางเคียวถือไม้ไล่โคให้ออกไปการเจริญอสุภกรรมฐานก็เหมือนกับการถือไม้ไล่โค มาทางไหนเขาจไปทางนั้นแหละแล้วก็ซ่อมรั้วตามเดิมกลับไปเกี่ยวข้าวต่อไปอันนี้ก็หมายถึงว่าเจริญวิปัสสนาก็เหมือนเกี่ยวข้าวครับกำลังเกี่ยวข้าวใหญ่เลยราคาเหมือนโคในตัวเบริมเข้ามาแลยก็ลไล่ออกไปก่อนเพมันการเจริญอสุภะก็เพื่อละราคาอย่างนั้นบอกว่าเจริญเมตตาเพื่อกําจัดโทสะเมตตาก็คือมีอะไรเป็นอารมณ์มีปิยมนาปัสัตเป็นอารมณ์ รอให้โกรธก่อนใช่ไหมค่อยเจริญเจริญไว้ก่อนเนี่ยนะนึกถึงใครแนวโน้มว่าจะไม่พอใจก็เจริญเมตาก่อนเลยเจริญเมตตาไปให้คนที่เราเคารพเป็นต้นก่อนแล้วก็เจริญจนกว่าจะวัตถุเหล่านั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งโทสะมันการเจริญเมตาก็เพื่อละความโกรธอันเกิดขึ้นแล้วว่าคนโน้นเคย ด่าเราคนโน้นจะด่าเราคนโน้นกําลังด่าเราคนโน้นเคยทําความเสียหายให้แก่เราคนโน้นจะทําความเสียหายให้แก่เราคนนั้นกําลังทําความเสียหายให้แก่เรามันก็เจริญเมตตาจนกว่าจะเลิกคิดแบบนั้นซะต่อไปก็เจริญอานาปานสติมีวัตถุ16เพื่อกําจัดอกุศลมิตกอนาปานสติมีวัตถุ16ก็คือในกายานุปัสนาสเวทนาสีจิตตานุปัสนาสีและธรรมานุปัสนาสี เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวมีในสติปัฏฐานนะนะแล้วก็มีอยู่ในอานาปานสติสูตรในมัชฌิมานิกาเดี๋ยวเรียนข้างหน้าต่อไปก็จะถึงต่อไปก็เจริญ อ, อันนี้จะสัญญาเพื่อถอนอสมิมานะใช่มอสมิมานะสมุขคาตายะได้แก่ถอนมานะ9ก้าอย่างที่เกิดขึ้นว่า โอ้รู้จักเราน้อยไปอย่างนี้หรป่มามันก็ต้องเจริญอนิจจสัญญาใช่ไหมเพื่อกําจัดมานะอนิจจสัญญโนคือผู้มีความสําคัญว่าไม่เที่ยงด้วยอนิจจานุปัสสนาที่เป็นไปว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงทําไมจึงไม่เที่ยงก็เพราะมันมีแล้วก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะมีความเกิดและความดับเป็นที่สุดจากเกิดขึ้นแล้วก็ในที่สุดก็แตกทําลายไป เขาคิดแบบใหญ่ๆก่อนนะไม่ใช่รีบแบบจออะไรมันปั๊บๆๆแต่แบบนั้นนะไม่ใช่ก็เริ่มคิดแต่ทุกอย่างเนี่ยแต่สมมติถ้าเราทั้งหลายเนี่ยนั่งกันอยู่เริ่มคิดเลยมีเดี๋ยวก็ไม่มีคิดหรือต่อไปเราทั้งหลายจะอีร้อยปีพวกเราจะเหลือกันไหมไม่เหลือมีเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นก็แต่ละคนเนี่ยเริ่มมีความเกิดเป็นเบื้องต้นไหมแล้วก็แตกดับไปในที่สุดก็คือมีเกิดแล้วก็เริ่มแตกดับไปเรื่อยๆเนี่ยนะจริงๆก็เริ่มแตกดับไปเรื่อยๆอยู่แล้ว จริงๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นไปชั่วขณะนั้นๆเท่านั้นแหละปฏิเสธความเป็นของเที่ยงเคยเห็นสิ่งที่ยั่งยืนไหมไม่มีหรอกงั้นการที่สําคัญว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆสําคัญว่ามันมีแล้วก็ไม่มีเป็นสิ่งที่มีความเกิดและความดับเป็นที่สุดมีการแตกดับเป็นไปชั่วขณะมันไม่ได้มีของไหนจรังยั่งยืนแท้จริงหรอกเคสอย่างนี้บ่อยๆจนว่าสําคัญแบบนี้จริงๆเลยนะ เป็นเครื่องหมายว่าแบบนี้จริงๆเลยไม่ใช่ว่าแกล้งหลอกตัวเองไปเนี่ยไม่ใช่มันสำคัญแบบนั้นจริงๆสำคัญว่ามันมีแล้วก็ไม่มีก็เหมือนกับที่เขาบอกว่าอะไรในะงานเลี้ยงก็มีเลิกราใช่ไหมก็คล้ายๆแบบนั้นน่ะ น, นะทุกอย่างที่มีแล้วก็ต้องไม่มีเป็นที่สุดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆอนัตตสัญญาย่อมปรากฏแก่ผู้ได้อนิจจสัญญาใครที่เจริญอนิจจังบ่อยๆจะรู้จักอนัตตาเป็นอย่างดี อนัตตาสัญญาสัญถาติได้แก่อนัตตาสัญญากล่าวคืออนัตตานุปัสนาที่เป็นไปอย่างนี้ว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาเพราะอะไรเพราะมันไม่มีแก่นคือความเที่ยงไม่มีแก่นคือความสุขไม่มีแก่นคืออัตตาที่แท้จริงที่เรียกว่าอนัตตาก็เพราะไม่เป็นไปในอำนาจขอจงเที่ยงเธอได้ไหมไม่ได้ขอจงสุขเถอขอจงเป็นอัตตาเถอก็ขอไม่ได้แล้วก็เป็นอื่น เป็นอื่นก็คือเป็นของคนอื่น อ, อ่ะนะร่างกายของเราแต่มันเป็นของคนอื่นนี่เป็นยังไงเคยป่วยดูไหมมันเป็นของเราหรือของคนอื่นกันแน่แล้วก็เป็นของว่างว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากควา ม, วาาวามยั่งยืนของเปล่าเปล่าก็คือศูนย์ศูนย์จากความเที่ยงศูนย์จากความสุขศูนย์จากความยั่งยืนตุดโฉก็ว่างเปล่ามันไม่มีใครอยู่ในนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ดำรงอยู่คือไม่ตั้งมั่นอยู่ในจิต หม้ว่าให้มันดารงคงทนตลอดไปได้ไหมแล้วใครมีอํานาจได้ไหมทําอะไรได้บ้างจัดการกระร่างกายเราทำยังไงมีบริโภคอาหารทําอะไรได้นิดๆหน่อยๆได้เท่านี้แหละที่เหลือก็จะไปทําอะไรก็โลกอัชนชรานําไปไม่ยั่งยืนใช่ไหมโลกจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโลกไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนมันก็มีอยู่เท่านี้ไม่มีใครมีอํานาจจริงๆเลยอย่าแก่เลยไปลดอายุได้ไหมตัวเลขอาจจะไปลดได้เวลาเขียนใช่ไหม ไปลดให้วันนี้ไม่ได้หรอกมันก็อย่างงี้แหละจริงอยู่เมื่อเห็นอนิจจลักษณะก็เป็นอันชื่อว่าเห็นอนัตตลักษณะเหมือนกันถ้ารู้ไม่เที่ยงจริงจะรู้จักอนัตตาก็บรรดาลักษณะทั้งสามเมื่อเห็นลักษณะหนึ่งก็ชื่อว่าเห็นลักษณะสองอย่างนอกนี้เหมือนกันต่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั่นแหละเป็นอนัตตาก็สิ่งไม่เที่ยงนั่นแหละจึงเป็นอนัตตาก็สิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละจึงเป็นอนัตตา ที่มันเป็นอนัตตาเพราะมันไม่เที่ยงที่เป็นอนัตตาเพราะมันเป็นทุกข์เอาเป็นอนัตตาบอกบังคับบัญชามไม่ได้ไม่ใช่หรือลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้น เ, เดี๋ยวก็ลุกกันนะครัเอาแล้วใครเหมือนกับบอกได้ไม่ใช่หรือแล้วบอกว่าอนัตตาได้ยังไงนิ่งเอามันก็นิ่งสิพูดก็พู ด, พดแล้วบอกว่าอนัตตาขัดกันหรือเปล่าไม่ขัดไม่ขัดกั น, กนยังไงไอที่พูดขอให้มันพูดอย่างนี้ตลอดไปได้ ไ, ดไหมไม่ได้ทําไมอ่ะ ก็เพราะมันไม่เที <us> ่ยงสิ <tra> us <hold using> ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาที่มันเป็นอนัตตก็เพราะมันไม่เที่ยงงั้นมันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเห็นอันใดอันหนึ่งก็จะเห็นที่เหลือขอเห็นจริงเถอะเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้ได้เข้าใจในสภาพที่ไม่เที่ยงจริงก็เข้าใจทุกขังและอนัตตาเข้าใจสภาพที่เป็นทุกข์จริงก็จะเข้าใจอนิจจังและอนัตตาถ้าเข้าใจอนัตตาจริงจะต้องรู้จักอนิจจังแล้วก็ ทุกขังไม่ใช่อนาตตาบังคับบัญชาไม่ได้อกุศลจะเกิดก็ให้มันเกิดใช่ตกนรกกว่าอนาตามันจะตกก็ให้มันตกไปถ้ายัางงี้ก็บอกเลยอยารู้จักกันเลยดีที่สุดพระองค์ตรัสว่าเมขกยะก็อนาตตาสัญญาย่อมดำรงอยู่แก่ผู้มีความสําคัญในสังขารว่าเป็นของไม่เที่ยงคือถ้าเห็นว่าไม่เที่ยงจริงๆก็ใครมีอํานาจให้มันเที่ยงได้ไหม ไม่ได้ใช่ไหมเมื่อเห็นอนัตตลักษณะมานะที่เกิดขึ้นว่าเรามีก็ชื่อว่าละได้ด้วยนั่นเองจะเอาอะไรว่าเป็นเราเน้ะก็มันไม่เที่ยงนะเอาตาใช่ไหมเป็นเราก็ตาไม่เที่ยงเอากายใช่ไหมเป็นเราก็ากายไม่เที่ยงแล้วจะเอาอะไรเป็นเอาใจใช่ไหมเป็นเราวันหนึ่งคุณคิดกี่เรื่องละ่นะเอาใจดวงไหนเป็นเราเอาดวงไหนดีก็เอาดวงที่มันมีมานะนั่นแหละว่าเป็นเราเนี่ยเหรอ มานะเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าชมหรือตําหนิตนําหนิถ้าเจริญมากๆแล้วเกิดที่ไหนเกิดในตระกูลต่ําเป็นต้นันดีตรงไหนอ่ะนะแล้วสําคัญว่าเป็นเราได้ยังไงเนาะมันเมื่อเห็นอนตัตตลักษณะเห็นความที่มันไม่เที่ยงด้วยไม่ดีด้วยเลวร้ายเป็นต้นด้วยก็ละมานะได้เพราะเหตุ น, นั้นพระองค์จึงตรัสว่า ผู้มีความสําคัญว่าเป็นอนัตตาย่อมถอนอัศมิมาณะได้ก็คือสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นอ่ะเป็นอนัตตาทั้งไม่เที่ยงด้วยทั้งเป็นอนัตตาด้วยและไปเย่อหยิ่งเพราะสิ่งนั้นทำไมทิฏฐิบทว่าทิฏฐิเทวะทำเมนิบานังย่อมบรรลุพระปรินิพานอันหาปัจจัยมิได้ในปัจจุบันนี้เองคือในอัตภาพนี้เองก็แปลว่าถ้าแทงตลอด ลักษณะอ น, นิจจาลักษณะเป็นต้นตามที่กล่าวแล้วก็คืออะไรที่บอกว่าอ น, นิจจาลักษณะเป็นต้นเนี่ยคือวิปริณธรรมะก็แปลว่าสิ่งนั้นปีลณ ะ, ะสันตาปะอะไรสังคตะใช่ไหมอันนั้นเป็นลักษณะอัฏฐะแห่งทุกขสัจจะทุกขสัจจะที่สันตาปะเร่าร้อนปีลณ ะ, ะเบียดเบียนสังคตะถูกปัจจัยปรุงแต่งวิปริณามะ ควรไหมที่จะเอาสิ่งเหล่านี้เพื่อสร้างภพชาติไม่สมควรเนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเข้าใจตามนั้นได้จริงก็แทงตลอดอริยสัจก็ตรัสรู้นิโรธสัจจะแทงตลอดพระนิพพานที่เป็นอสังขตะธรรมธรรมที่หาปัจจัยปรุงแต่งมีได้และขณะเดียวกันพระนิพพานอันนี้เป็นธรรมที่ดับสังขารธรรมดับธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิพพานที่เป็นอสังขตะนั้นอะ่ะเป็นตัวที่ดับสังขตะ หลังจากที่พระองค์แสดงธรรมไปเรื่อยๆให้พระเมคิยะฟังและพระองค์ก็สรุปทบทวนขณะนั้นทันทีเรียกว่าทราบเนื้อความนั้นแล้วก็แป่งอุทานแป่งอุทานว่าวิตกอันเลวทรามวิตกอันละเอียดพวกนี้อกุศลวิตกนะอกุศนวิตกที่เลวทรามอากขุศลวิตกอันละเอียดเป็นไปแล้วทําใจให้ฟุ้งซ่านบุคคลผู้มีจิตหมุนไปแล้วไม่ทราบอากุศลวิตกแห่งใจเหล่านี้ย่อมแล่นไปสู่พบน้อยและพบใหญ่ ถ้าใครที่ปล่อยให้อกุศลวิตตกก้าประการเหล่านี้ไหลไปก็นําไปสู่วัฏฏะไม่มีที่สุดส่วนบุคคลผู้มีความเพียรมีสติทําปริญญาในวิตกสามอย่างแห่งใจเหล่านี้แล้วย่อมปิดกั้นเสียอริยาสาวกผู้ตรัสรู้แล้วย่อมละได้เด็ดขาดไม่มีส่วนเหลือซึ่งอกุศลวิตกเหล่านี้ที่เป็นไปแล้วที่ทําให้ใจฟุง้งซ่านตรงนี้เนี่เน้นละมิจฉาสังกปะอย่างเดียวก็เท่ากับละ มิจฉามัททั้ง8ประการเน้นที่ละมิจฉาสังกปะใช่หมเพราะว่ากรณีนี้ท่านยกตัวอย่างพระเมขิยะที่ไปอยู่ในป่ามะม่วงแล้วอกุสนวิตกเกิดขึ้นถ้าละมิจฉาสังกปะได้ตัวเดียวก็เท่ากับละมิจฉามัททั้งแดนั่นแหละอันนี้ยกมิจฉาสังกปะเป็นอุทาหนเป็นตัวอย่างอธิบายเป็นคาถ า, าเอตมทัทวิทิตวานาสี่ร้สิบเอ็ดว่า การที่ท่านพระเมขียะถูกโจรคือมิจฉาวิตกปล้นพันดะคือกุศลไปหมดเลยกุษลจะถือกรรมฐานไปเจริญในป่าใช่ั้มอกุศลมันปล้นไปเกลี้ยงเลยนะนั่งเป็นแต่อกุศลหมดเนื้อหมดตัวหมดเลยบทว่าอิมังอุทานังคําว่าเป่งอุทานนี้อันแสดงโทษในการไม่บรรเทาอาคุศลวิตกมีกามาวิตกเป็นต้นอ น, นิสงส์แห่งการบรรเท า, ากุศลวิตกหมายว่าอากุศลวิตกท่าละไม่ได้นี่มันมีโทษมากก็ผลของอกุศลวิตกอยู่ไหน ก็วัตตะนั่นแหละถ้ากําจัดอกุศลวิตกได้โดยประการทั้งปวงก็เป็นวิวัตะก็เป็นพระนิพพานก็แสดงวัตตะและวิวัตะแสดงโทษของเหตุของวัตตะและอนิสง์ของวิวัตะพร้อมดังข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงวิวัตะวิตกอันเลวซามคืออะไรคือกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกที่เรียกว่าเลวซามก็เพราะว่าเพราะถูกวิตกทั้งปวงทําให้เลวเหมือนว่า มันทําให้เลวถ้ากามวิตกเกิดขึ้นก็ทําให้ถึงความเป็นคนเลวพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นก็ทําให้ถึงความเป็นผู้เลวส่วนวิตกละเอียดหมายถึงตรึกถึงญาติตรึกถึงญาตินี่นะถ้าพูดแบบคารวะก็ถือเป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่พูดถึงท้าบวชมาทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งทุกอย่างเลยนะไปอยู่ในป่ามานั่งคิดถึงพี่คิดถึงน้องคิดถึงญาติทั้งหลายมันดีไหมถ้าหวงขนาดนั้นรู้จะบวชทําไมหรือเปล่าก็หมายถึงว่า แทนที่จะเจริญกรรมฐานก็กลายเป็นว่ามานั่งนึกถึงญาตินึกถึงญาติเป็นกรรมฐานข้อไหนคืออันนี้หมายถึงตรึกด้วยฉันทราคะนะโอ๊ยพี่เราน้องเราแต่บอกโอ้ยพี่คนโน้นก็ตายแล้วญาติคนโน้นก็ตายแล้วดูสิปู่ญาติตายยายก็ตายไม่เหลือตายกันหมดแล้วถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรตรึกถึงชนบทนะโอ้ยที่นั่นนะอาหารอุดมสมบูรณ์มากที่นี่โอ้ไม่ไหวเลยอย่างนี้ตรึกถึงเทวดาก็บอกโอ๊ย อันนี้เทวดาบางแห่งเนี่ยอมมระตัวนั้นหมายถึงว่าอมราวิเคปะคิดดิ้นรนไม่ตายตัวนะคิดแบบปลาไลเทวดาตัวนี้ก็ไม่ตายตัวนะเทวดานี้โดยสัมปันว่าอมระไม่ตายเหมือนกันพวกความคิดแบบปลาไหลก็คิดวนไปวนมาบอกท่านว่าไม่ใช่ใช่ไหมบอกไม่ใช่ท่านว่าใช่ใช่ไหมบอกไม่ใช่ท่านว่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ท่านว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมบอกไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยคิดไปเรื่อยเนี่ยพวกนี้อกุศลวมตก พวกนี้เขรียกวคิดดิ้นรนไม่ตายตัวหรือไปคิดเทวดาวเทวดาที่ชัดนั้นนะเขามีความสุขจริงๆเลยนะทํำไมเรานี่มันอดอยากเหลือเกินเนยนะก็คิดเป็นต้นอันนี้พวกนี้ก็อกุศลวิตตกหรือตรึกที่เกี่ยวกับความเอ็นดูผู้อื่นเอ็นดูผู้อื่นนี่เหมือนดีนะกะรุณาไม่หรอกหมายถึงว่ามีอุปทาใช่ไหมอุปทาเขาเดือดร้อนก็ไปคิดเดือดร้อนกับเขาก็ได้ดีก็ดีไปกับเขาลักษณะเนี่ยนะอย่างกับว่าไปทํางานช่วยเขาอย่างนั้นแหละ หรือไม่ก็ตรึกที่เกี่ยวด้วยลาบสการะและชื่อเสียงตรึกถึงลาบสการะทํำยังไงจะได้มีลาบสการะชื่อเสียงคนจะได้ยกย่อ ง, องนิยมนับถือเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอกุศลมิตกหรือความตรึกที่ด้วยความไม่ดูหมิ่นหมายคือว่าทํายังไงคนอื่นจะได้ไม่ดูถูกเราไม่ต้องการให้คนอื่นดูถูกตัวเอง รักษาไม่ให้คนอื่นเขาดูหมิน่นเหยียดยา้าดูแคลนนะนะโอยอย่างเราใครจะมาดูถูกเราได้เป็นต้นนะต้องทำไม่ให้เขาดูหมิ่นเราสิพวนี้ก็เป็นอากุศลวิตกทั้งหมดอากุศลวิตกคือหนึ่งตรึกถึงญาตสองตรึกถึงชนบทสตรึกถึงอมรคือเทวดาหรือ4ตรึกถึงด้วยความเอ็นดูผู้อื่น5ตรึกถึงลาภสการชื่อเสียง6ตรึกถึงว่าไม่ต้องการให้ใครดูหมิน่นสิ่งเหล่านี้เขาบอกมันไม่ร้ายแรงมีโทษมากเหมือนการม ว, าวิตกหรอก ก็เลยเรียกว่าวิตกที่ละเอียดแต่การมวิตกเป็นต้นนี่หยาบมากหยาบแค่ไหนก็นั่นแหละถึงขนาดรักษาผ้าไมา่อยู่นั่นแหละบางคนเนี่ยสมมติการมวิตกเกิดมากๆ ก, ก, ก็เลยถึงกับศึกษาลาเพศนะบางพวกเนี่ยพยาบาทวิตกมากมากเนี่ยศึกไปฆ่าเขาเลยก็มีเพราะว่านั่งตรึกไปแล้วแคนมากแคนมากอะไรศึกไปฆ่าซะเลยจริงอยู่เมื่อวิตกนั้นเกิดขึ้นจิตก็ไปตามวิตกนั่นแหละเพราะยกวิตกนั้นขึ้นสู่อารมณ์ อากุศลวิตกก็ไปพาใจไปเรื่อยโคจรเที่ยวไปเรื่อยบทว่าเอเตอวิธวามนาโซวิตะเกความว่าไม่รู้ตามความเป็นจริงซึ่งมโนวิตกพวกวิตกพวกนี้เกิดทางทวารใจนะมโนทวารเพราะตัวเองไม่ทำปริญญาเลยนะอวิชิตวาเนี่ยไม่ทำปริญญาคือไม่ทำยาตติระณะปะหานะัปริญญาในอากุศลวิตตก แล้วก็ไม่รู้จักวิธีการสลัดออกจากวิตกไม่รู้อัศทะของวิตกจริงตรงนั้นเขาแปลไม่ดีนะหน้า412บอกว่าโดยสลัดออกจากโทษคือความยิน ด, ดีที่จริงมันมี3ามคำใช่ไหมสลัดออกคืออะไรนิสรณะโทษคืออาทีนวะยินดีคืออัสสาธะ<ๆ>ก็คือไม่รู้จักอัสสาธะอาทีนวะนิสรณะของวิตกนั่นเอง จะต้องรู้จักอสสาทะของวิตกอาทีนวะของวิตกแล้วก็นิสรณะของวิตกอวิตกเหล่านั้นมาทำปริญญาใครที่ปล่อยให้อกุศลวิตกเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยๆใจตั้งมั่นไหมไม่เพราะยังละมิจฉาวิตกไม่ได้จึงแล่นไปคือหมุนไปหมุนมาด้วยอำนาจความยินดีเป็นต้นในอารมณ์โดยในเป็นต้นว่าบางคราวก็นึกถึงรูปบางคราวก็นึกถึงเสียงเป็นต้นน่นะด้วยอานาจของอกุศลวิตก อีกอย่างหนึ่งบทว่าหุราหุรังทาวติพันทะจิตโตแปลว่ามีจิตหมุนไปด้วยอวิชชาและตันหามีอวิตกนั้นเป็นเหตุนั้นถ้าอกุศลวิตกพาให้การมวิตกเกิดขึ้นตันหาก็เกิดพยาบาทวิตกก็อวิชชาเกิดอวิชชาตันหาก็สลับคละเคล้ากันไปเพราะยังกําหนดวิตกไม่ได้คือยังไม่ได้ทาปริญญาในวิตกก็วิตกก็พาเล่นไปท่องเที่ยวไปไปมามาโดย จากตายไปเกิดจากโลกนี้สู่โลกหน้าจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งก็ไปเรื่อยเนี่ยนะบทว่าเอเตจะวิทวามนาโซวิตตเกแต่ถ้ารู้ความจริงรู้ความจริงโดยอะไรรู้ความยินดีคือรู้จากอศาาัศธาอาทีนวะนิสรณะนะโดยปริญญาสามยาตาตีรณะปะหานะปริญญาในวิตกนั้นได้แล้วมีความเพียรมีสติ อนุคเตได้แก่ไม่เกิดขึ้นด้วยอำนาจการได้โดยยากท่านกล่าวคําอธิบายนี้ไว้ว่ารู้มโนวิตกมีการมวิตกเป็นต้นมีประการดังกล่าวแล้วนั้นว่าเป็นความฟุ้งซ่านแห่งใจเพราะเป็นเหตุทำจิตให้ฟุ้งซ่านคือรู้โดยชอบทีเดียวด้วยมัคคปัญญาอันประกอบด้วยวิปัสนาคือเจริญวิปัสนาเจริญมัคเนี่ยนะเชื่อว่าผู้มีความเพียรมีสติเพราะมีสัมมาวายามะ คือสัมมาประธานสี่สัมมาสติคือสติประธานสี่ซึ่งมีมัคคปัญญานั้นเป็นสหายก็คืออารยมรค น, นะที่เห็นอริยสัจปิดมโนวิตกเหล่านั้นที่ควรจะเกิดต่อไปไม่ให้อกุศลวิตกนั้นนะเกิดขึ้นไม่ให้ผุดขึ้นเลยในขณะแห่งมรด้วยอริยมรคภาวนาปิดกั้นด้วยยานะสังบลได้แก่ตัดความปรากฏของอากุศลวิตกเหล่านั้นก็พระอริยสาวกผู้เป็นอย่างนั้นชื่อว่าพุทธ พุทคืออะไรรู้อริยสัจ4ถ้ารู้อริยสัจสี่ก็ละตัดขาดอากุศลวิตตกโดยไม่มีส่วนเหลือไม่ให้อกุศลวิตตกเกิดต่อไปด้วยอํานาจอรหัตตมัคสูงสุดเลยนะถ้าตัดอกุศลวิตตกอย่างนี้ได้ก็ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็คาถานเนี่ยพระองค์อุทานขึ้นเป็นการอุทานเพื่อแสดงข้อปฏิบัติชี้แนะแนวทางให้พระเมขิยะด้วยว่า การปฏิบัติธรรมนั้นถ้าให้ความสําคัญต่ออกุศลวิตกจริงๆอ่ะนะสามารถเอาอากุศลวิตกมาทําปริญญาพิจารณาแยกแยะเป็นมิจฉามรรคสัมมามรรคได้ก็จักละมิจฉามรรคอบรมกระทําสัมมามรรคให้บริบูรณ์เพราะว่ามรรคนี่ยังไงก็ขาดสัมมาสังกัปะไม่ได้ใช่ไหมมิจฉามรรคก็คืออกุศลสังกัปะเป็นต้นนั่นแหละตรงนี้เน้นสัมมาสังกัปะเป็นหลัก เน้นมิจฉาสังกปะเป็นหลักก็เชื่อว่าเน้นมัคเน้นสัมมามัคเขาเรียกว่าสัมมัตตนิยามและมิจฉตนิยามมิจฉตนิยามก็คือมิจฉามัคทั้งแปดสัมมัตตนิยามก็คือสัมมามัคแปดก็เห็นว่ามิจฉามัคเป็นทางแห่งวาตตสัมมามัค ก, ก็เป็นทางแห่งวิวัตะนั่นเองใครที่เจริญสัมมามัค ก, ก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกได้ชาวนี้ก็คงใช้เวลาแต่เท่านี้ก่อนก็ขอให้สมบูรณ์ด้วยกุศลและวิตกโดยท่วนกัน